เป็นชาพุทธนะไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวไอ้น่นดีนี่วิเศษอะไรเงี้ยจิงจกสองหางก็ขลังอะไรเงี้ยบัวมีห้าขามีสองหัวนะต้นไม้ต้นนั้นศักดิ์สิทธิ์ชาพุทธเราไม่ได้เชื่อ เขาเรียกมงคลตื่นเข่าวทำอย่างนี้แล้วดีทำอย่างนี้แล้วดี แ, วดแต่มาถึงยุคนี้เราต้องสอนกันอีกเรื่องหนึ่งละอย่าเชื่ออัประมงคลตื่นข่าวอย่างพวกกลัวมากเลยกลัวไข้หวัดไวรัสอะไรโคโิดหน้ากลัวจน กลิ้งไปหมดวหพวกปล่อยข่าวลือก็ปล่อยสนุกไปสะใจหลวงพ่อไม่ฟังอะไม่ฟังข่าวลือทั้งหลายหลวงพ่อฟังข่าวของกระทรวงสาธารณสุขพอแล้ทีมดีควบคุมโรคติดต่ออนะไรเงี้ยพูดฟังรู้เรื่องถ้าอธิบายไว้ เวลาคนมันจามเป็นเลยนะเป็นฝอยขึนะ้นมาขนาดพ m เอมห้าจุดูนไอฝุ่นสองจุดห้าน่ากลัวกว่าอีกหนะ้าจุดศูนยเนยใช้แมสธรรมดาก็อยู่ละมันกันได้เดี๋ยวหน้าไปซุกเขาก็แล้วกัน อย่างเขาไอาเขาจามออกมาเนยะมันจะตกลงพื้นไปได้เม็ดกว่ากวายเราอยู่นอกรัศมีก็ไม่โดนแล้วจุด ส, สำคัญคือเชื้อโรคที่มันตกอยู่ที่โน้นที่นี้เนะี่ยเรามือไปจับแล้วก็มาเช็ดลู ก, กาตาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยไปติด เปลี่ยนนิสัยตัวเองเทียงจับแล้วก็เอามือไปรูปหน้ารูปตางั้นอย่างมาเสนอหลวงพ่อนะมีหลายระดับเลยหนึ่งปิดวัดนะว่าแล้วเธอนะข้อที่สองห้ามคนจีนเข้าวัดนะนี่ลองลงมานะระดับที่สามว่าระดับสามนะคือให้คนจีนอยู่ข้างนอก นะให้เขวาวัดนะแต่ให้อยู่ข้างนอกเนะนี่ยสารพัดจะคิดเลยต้องไม่กินอาหารจีนมันเกี่ยวอะไรว่าอาหารจีนอ่ะงั้น <c oughs> กินหมี่ซ้วไม่ได้ <c oughs> กินเป็ดปักจ่งไม่ได้อะไรเงี้ย น, นะ <c oughs> เพี้ยนเล่านะทำเป็นว่า หวยระแวงคนจีนมากเจอคนจีนนะรู้สึกอันตรายถ้าคนจีนตอนนี้เดินหกล้มเนี่ยนะเอาแล้วไปเขีย น, นะนวันนี้เจอแล้วล้มลงตายตรงนี้เลยจริงลื่นหกล้มไปเฉยๆเหลวไหลแล้วเราชอบตื่น้ขา่าวอระมุงคนพวกนี้เยอะมากเลยนะที่เชื่อหมอดู พวกเราจำได้ไหมสักสิบปีมาแนละ้วหมอดูถ่ายว่าน้ำจะท่วมภาคกลางทั้งหมดเลยเนะนี่ยเราจะต้องย้ายเมืองหลวงย้ายบ้านย้ายอะไร <c oughs> แล้วหมอดูเวลาถ่ายที่จะถ่ายอย่างนี้ทำให้ตื่นเต้นแล้วพอถ่ายผิดมีใครจำได้ไหมว่าหมอคนไหนถ่ายไว้จำไม่ได้ อีหลังเวลาใครก็ทายอะไรได้ไว้หนะโน้ตไว้หน่อยนะเมมไวนะ้แล้วพอไม่เป็นตามสถานการณ์แล้วมาเปิดดนะูแล้วก็บอกเลยเชื่อไม่ได้นะไม่จะเชื่อข่าวป้าบอกคอแตกอะไรพวกนีนะ้สมัยวิทยาเ็าเชื่อเรื่ององมงายเงี้เนะชื่อว่าหนังเหนียวนะมี นักศยศาสตร์คนหนึ่งนะไปยืนหัวเรือรำดาบสองมืออยู่หัวเรือจะไปใกล้กองทัพพมา่าแล้วจะส่งเสียงตะหวาดด้วยพลังราชสีกนะองทัพพมา่าจะแตกเนี่ยไอ้นี้ก็รำไปคนไทยก็แห่ตามไปดูนะไม่ใช่ตามไปลบนะตามไปดูเนี่ยพม่ า, มาจะถูกตะหวาดแล้วหนีไอ้คนอาจารย์ที่รำหัวเรือถูกยิงตาย พวกนี้ทิ้งทุกอย่างหนีกลับเข้าอายุธยาเลยนะไม่รบแล้วทหารทหารก็หนีหมดเลยเนี่ยเพราะเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะมันถึงแพ้เขาบุบง่ายเมื่เราไปเชื่ออะไรที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่มีเหตุผลนะะเชื่อมากก็คเครียดมากเครียดมากแล้วก็ สุภาพจิตเสียวิธีทำสงครามมันมีวันหนึ่งนะการปล่อยข่าวปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลวงวัสกราพราหมณ์ก็ใช้มาแล้วทำให้พวกลิชวีทะเลาะ ก, กันเองใช้วิธีนี้สงครามจิตวิทย า, าชาติศัตรู ยกท้าไปลบกับพวกิชวีนะทั้งๆ ท, ท, ที่แหวนมังคตเป็นมหาอำนาจก็ไม่ชนะวันหนึ่งก็เลยใช้วัสกุลพรามนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเนา้ประเทศเล็กๆเนี่ยมันสู้ประเทศใหญ่ๆได้พระพุทธเจ้าท่านก็หันไปถามพระหน่นว่าพวกิชวีเนี่ยยังปฏิบัติ ตามธรรมะที่ท่านสอนอยู่พระองอภิริหารนิยธรรมธรรมะที่จะไม่เสื่อมนะเช่นมีอะไรก็ประชุมปรึกษาหรือพร้อมๆเ พ, พ, พ, พียงกันนะมีเรื่องอะไรก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยเนี่ยทําอย่างเนี้ยบ้านเมืองอยู่ได้นี่วสชการาพามได้ยิ น, นพระพุทธเจ้าคุยกับพระนอนนะุน่ะรีบกลับไปบอกอาชาตศัตรูนะว่าเนี่ยพวก ลชบีเนี่ยมันสามัคคีกันมันต้องทําให้มันแตกสามาัคคีวิธีทําให้แตกสามัคคีก็คือให้พระชาติศัตรูนี้เขียนเคี่ยนวสกาพรามพอเคียนเสร็จแล้ว เ, เขาก็ทําเป็นโกรนว่าพระเจ้าแผ่นดินเคลื่อนหนีไปอยู่กับพวกลชวีเลยบอกเนี่ยมีแผลเต็มหลังเลยถูกเคี่ยนมาพวกนั้นก็เชื่อ ดูสิหนำแน้มขนาดนั้นก็เชื่อพอเชื่อแล้วตั้งให้สอนลูกให้สอนพระราชกุมารทั้งหลายลูกของเจ้าองค์นี้ก็เรียนลูกของเจ้าองค์นี้ก็เรียนเก่งก็ตั้งใจสอนนะถ่ายทอดความรู้ให้พอ เ, เข้าว่วางใจเต็มที่แล้ววันหนึ่งก็เรียกเจ้าชายน้อยๆ้อยองค์หนึ่งมาถามกินข้าวกัอะไร อาจารยอาจารย์ก็เล่าเล่ า, ล, าล่าไปกินข้าววันโน้นกินข้าววันนี้เสร็จแล้วก็กลับออกไปจากห้องอาจารย์เพื่อนก็ถามว่าอาจารย์สอนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเรียกไปส่วนตัวไม่ได้สอนรอบถามว่ากินข้าวกับอะไร <c oughs> นี่อีกวันก็เรียกเด็กอีกคนหนึ่งมานะถามเรื่องนอนเรื่องนี้อะไรถามเรื่องงอ้อนอะ้ะเด็กก็เริ่มทะเลาะ ก, กันว่าเฮ้ อาจารย์สอนของดีกับไอ้คนแรกก็มาถามเราเมื่อเมื่อคืนนอนหลับแักวฉี่หรือเปล่าฉี่รถที่นอนไหมอะไรเงี้ยเนี่ยแกล้งถามเราทั้งๆ ท, ท, ที่สอนวิชาดีให้คนที่หนึ่งไปเนี่คยค่อยๆ ย, ยุยุยยุนะพราเด็กทะเลาะกันแม่มันก็ทะเลาะกันพ่อยังไม่ทะเลาะนะแม่ทะเลาะก่อนเพราะแม่เข้าข้างลูก เพราะลูกทะเลาะกันเนี่ยพ่ อ, อยังไม่เค่อยเข้าข้างนะเสร็จแล้วพอแม่มันทะเลาะกันเมียทะเลาะกันน่ะเข้าข้างเมียนะงั้นสําหรับผู้ชายเนี่ยเมียสําคัญนะอเมียทะเลาะกันต้องไปทะเลาะกันด้วยเลยในสุดชาติศัตรูยกทัพมาพวกนี้ก็เก่งกันเก่งนะก็ไปลปเองสิอะไรอย่างนี้ย ไม่ได้รอบเลยเข้าเข้ามายึดเมืองใช่ๆเนี่ยสงครามจีวิยาหรือพวกเราก็ถูกทำสงครามจีวิยานะทำให้กลัวอะไรเกินเหตุน่ะโวยวายอะไรไร้สาระันทำอะไรห้มันมีสติมีเหตุมีผลหาข้อมูลก่อนจะเชื่อคนชอบมาแนะนำหลวงพ่อเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้หลวงพ่อไม่เคยเชื่อเลยนะ่ย ยันตอหลวงพ่อเป็นมะเร็งเมื่อปีห้าเก้าว่แล้วพบเลยคนไทยนี่เป็นหมอเยอะมากเลยคนนี้เป็นหมอดูดวงหลวงพ่ อ, อยังดีไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> อ้อนี่หมออย่างนี้ก็มีนะบางคนก็เนี่ยมียาจีนดีมากเลยให้ฉันยาจีนอีกคนหนึ่งก็มียาน้นยานี้นะสุดท้ายมียาผีบอกนะบอกว่าไปเอาผีมายืนยันซิ ไม่ได้หลวงพ่อบอกเออขอบใจที่แนะนํานะบางคนก็บอกคนโน้นเขาเคยเป็นแล้วก็กินอันนี้หายะกินนอนกินนีนนห่หลวงพ่อไม่เอาไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีงานวิจัยรองรับไม่เชื่อคือเรากินทุกอย่างที่พวกเรามาให้นะหลวงพ่อตายแล้วก็ตายแล้วเป็นมัมมี่ไม่เน่าไม่เปื่อย ขอดอบอสสารเคมีอะไรเขาไปเยอะแยะเลยทำอะไรให้มันมีเหตุผลนะมีสติมีเหตุมีผลไม่ใช่งมงายนะเอาส่งกันบ้านการค่ะขอกันบ้านค่ะอะไรนะขออะไรนะขอกันบ้านค่ะจิตนะมีโมหะดูเห็นไหม ม, มัวมัวอยู่เนี่ยขณะเนี้ยดูออกเปล่า<ช>ซึมซึมอ่ะดูออกไหมหซึมเดี๋ยวจะจูนให้เท่าเราเลยดูออกยังมันมขับไม่หนีบใช่ะนะแล้วโมหามันแซดซึมกลับลงพ่อค่ะคือหนูอยู่วัดมาสามวันนะคะ ปฏิบัตินั่งสมาธิกับเดินจงกรมค่ะตอนที่นั่งสมาธิก็สังเกตเห็นว่าแบบเราอึดอัดนะคะใจมันอึดอัดก็นั่งไปแล้วมันอยู่หลายรอบอะคะ่ะที่นั่งก็จะอึดอัดจนก็มานอนคิดว่าแบบที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันเรามีความคาดหวังอะคะ่ะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้กรู้ทันไปว่าคาดหวังรู้ทันไปว่าไม่ชอบ ที่มันอึดอัดไม่ชอบที่มันเข้าไปแทรกแซงจิตดูเข้าไปให้เห็นตัวที่ชอบกับตัวที่ไม่ชอบอ่ะความปรุงแต่งมันจะดับไปจนเมื่อเช้าเตื่นมามันลงๆอะ่ะก็ลองนั่งดูอีกรอบนปรากฏว่ามันมันมันมันโล่งกว่าก่อนก่อนค่ะอืมมันดีใจจะได้กลับบ้านแล้วแล้วก็พอสังเกต ตอนนั่งท้ายๆอะค่ะประมาณช่วงที่จะเปลี่ยนจากนั่งไปเดินจงกรมอะค่ะพรอเหมือนเรารู้ว่าเราจะเปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึ่งอะค่ะใจมันก็เหมือนแบบดิ้นดินนั่นแหละอย่างนี้ยเรียกว่าภาวนาไอ้ที่นั่งอยู่กันยังไม่ได้ภาวนานะไอ้ตรงที่รู้ทันใจตัวเองนั่นแหละภาวนาแต่ถ้าเราไม่ได้ไปนั่งมาก่อนเราเปลี่ยนวิญญาณบดเราก็ไม่เห็นใจของเราว่าดีใจ เนี้นในรูปแบบก็ทําทไปเถอะทำไปแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นจิตใจตัวเองได้แล้วก็พอลองนั่งไปเรื่อยๆรอบหลังๆไอ้ที่ว่าดิ้นนะคะดูเห็นมันดิน้นเหมือนดิ้นน้อยลงแบบมีแอร์ว่ะค่ะเออนั่นแหละก็ค่อยๆดูไปดูออกไหมใจมันทํางานได้เองมันดิ้นก็ดิ้นได้เองเนี่ยสังเกตไปใจนี่ไม่ใช่ตัวเรา มันทํางานของมันเองนะตัวใหญ่นี่ถึจะได้ปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์อะค่ะที่ว่าตอนอยู่ข้างนอกอะจะเห็นเป็นพวกแบบที่ชัดก็จะเป็นโทรธสั่งโกรธ ห, หงุดหงิดเลยอ ะ, ะแต่ไม่ค่อยเห็นความกลัวเหมือนคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมาอยู่วัดคืนแรกก็เลยแบบได้เห็นเลยว่าที่เราไม่ค่อยเห็นอะค่ะ จริงๆคือมันไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้มไม่ได้พอเหมือนมีอะไรมากระทบตากระทบหูเนี่ยค่ะ ม, มันก็แบบแสดงให้เห็นแบบชัดมาอะไรอ่างเงี้ยค่ะฝึกเยอะๆนะอยู่บ้านก็ไปฝึกเหมือนอยู่วัดนี่ยนหะนั่งสมาธิเดิน <c oughs> จงกรมรู้ทันจิตใจตัวเองไปนะปฝึกเขานั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิ ส่งไปไปนั่งสมาธิเราอะนั่งขัดสมาธินั่งอะไรก็ได้น ะ, ะที่เคยชินคนอื่นก็ดูของตัวเองนะไม่ต้องดูเขานั่งสมาธิบังคับจิตอยู่ดูออกมาให้นะอย่าไปนั่งสมาธิอถอนจิตขึ้นมาหายขึ้นมาลืมตาลืมตาลืมตาหันใส่หัหวใช้จิตตรงนี้ เรานั่งสมาธิด้วยจิตตรงนี้ไม่ใช่จิตที่น้อมให้นิ่งๆซึมๆอย่าน้อมจิตให้ซึมนะให้จิตที่มันรู้สึกตัวสบายๆตรงนี้เห็นไหมจิตมันขยับไปขยับมาได้เราะ้นเวลาเราจะนั่งสมาธินะเราอย่าไปทําจิตให้ขลุ่มๆเราใช้จิตใจธรรมดาเนี้ยอย่างหลวงพ่อเ น, นี่ยนะเราคุยๆใช้จิตอย่างนี้แหละ ทำสมาธิไปด้วยจิตปกติเลยนะแล้วเราถึงจะเห็นความจริงของมันนะถ้าเรานั่งสมาธิเราก็เริ่มเสร็จแล้วก็นะในพวกหนึ่งนะเครียด่เหมือนพ่อบัดแม่กับเราตีกันอยู่เครียดนะพวกหนึ่งก็ทำให้เคลิมนะ ไม่ได้เรื่องรู้สึกตัวไว้ทำสมาธิก็คือทำความรู้สึกตัวในขณะที่นั่งเดินจงกรมก็คือทำความรู้สึกตัวในขณะที่เดิ น, นทำไปด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญถ้าไม่ไหลไม่รู้สึกตัวไม่นั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วรู้สึกก็ดีขึ้นคับเพราะวัดก็ เราเข้าคอร์สกับเขาหรื <ไป S 2> เปลาไม่ได้คทำสะสมไป อ, อ่านใจตัวเองไปพอเรารู้ทันแล้ใจก็ตั้งมั่นสงบขึ้นมาเองอะใจสงบใจตั้งมั่นแล้วก็ดูสภาวาะแสดงใจรักไปะก็มีเท่านี้แหละนี่อย่างตาเห็นรูปแล้วกําหนดอะไรเงี้ยเห็นไม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ มันไม่ได้มีสมาธิฟุ้ฟงซ่านะนะจากนรัสการหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติมากแล้วก็ตอนที่อยู่วัดก็ได้เห็นความฟุ้งความเคิ ม, มสติไวบ้างสติช้าบ้างเออดทีแล้วเมื่อคืนตอนตีสามกว่าค่ะก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดท้องมากค่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ำก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันก็ได้ภาวนา พอกลับมาคือลงนอนที่เตียงคะะ่ะ <Okay. S 2> ก็เห็นว่าอาการปวดท้องคลายลงเบาลง hmm. จิตก็มีความเบาใจสุขใจพอใจก็เห็นกายกับจิตอยู่กันแยกกัน hmm. แล้วเราก็มีเราก็เห็นทั้งจิตกับกายก็ก็เห็นเราก็จบลงแล้วก็หลังจากนั้นก็มรณะนุสติ แล้วหลังจากนั้นก็ฟุ้งไปงคิดอีกนะคะแล้วก็วนไปวนมาอย่างเนี้ค่ะพื้นจิตมันยังฟุ้งซ่านเก่งไปนะเพราะนทําในรูปแบบทําสมาธิทำอะไรเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆวันหนึ่งหลายรอบก็ได้มีเวลาห้านาทีกลางวันเนี้ยเวลาห้านาทีก็ทำห้านาทีนะมาหายใจมาพุโทโธอะไรก็ทําไปเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนะใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน แล้วเวลาเราไปปฏิบัติในรูปแบบหรือเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยสติเราจะัวขึ้ น, นเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆใส่เสื้ออะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรตัวเนี้ยใส่เสื้อเป็นมหาอะไรต่างประเทศอะคะ่ะเหรอประเทศอะไรอะประเทศจีนมาได้ยังไง ใส่เสื้อจีนห้ามเข้าวัดไม่รู้เหลออครับก็คิดอยู่ข้างนอกครั บ, รบไม่ได้เข้ามาที่ข้างในครับรู้ว่าจิตอยู่นอกโอเคแล้วก็แล้วอยากให้เข้าแม่เมื่อกี้พยายามอยากให้เข้าแหลรรู้ว่าอยากครับ อ, อ่างนั้นแหะเรียนเป็นช็อตๆไป มันไวน้อยลงครับแต่ก่อนปากไวกว่านี้ครับคือมันจะไม่ค่อยระวังคาพูดก็ดูไปนะถ้าเราคิดถูกวาจาก็ถูกไ ม, มีสัมมาสังคัปปะมีความคิดถูกคิดถูกคือไม่ได้คิดตามกิเลสคำพูดของเรา ม, มันก็ถูกคำพูดถูกการกระทำมันก็ถูกจากนี้ก็จะระวังเวลาผลของที่เราพูดออกไปกั ทำให้คนอื่นเขารู้สึกยังไงบ้างไปดีแล้วสติมันดีขึ้นมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมครับหลวงพ่อทำไปจะยังพวงเยอะนะสมาธิยังไม่พอกลับนมัสการกับหลวงพ่อขณะนี้กำลังตื่นเต้นค่ะเมื่อวานได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อได้กรุณาประเมินว่าแยกไกล เนตจิตได้แล้วก็เลยเพื่อที่จะต่อยอดขอความเมตตาหลวงพ่อได้คุณ า, าเมตตาสั่งสอนเพิ่มเติมค่ะอย่าเพ่งอย่างตอนนี้ขณะนี้บังคับอยู่บังคับจิตอยู่ดูอ อ, อกไหมปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปอย่าให้ใจทื่อๆอยู่อย่างนี้นะถ้าใจนิ่งอย่างนี้จิตมันจะเฉยๆไม่เปลี่ยน ให้จจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อการคาะหลวงพ่อก็ภาวนามาสองสมปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือ น, นีตัวเองอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นจิตเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เจ้าค่ะ อ, อ, อยากให้หลวงพ่อไม่ป่าวแนะนำสั่งสอนเจ้าค่ะ ทำถูกแล้วเห็นไปแล้วมันจะเบื่อแต่ว่าก็จะมีโทสะแทรกแล้วก็มีความชอบไม่ชอบมออีรู้ทามโลกตามเรารู้ทันอย่างนั้นแล้วถูกแล้วนะพอเรารู้ตามความเป็นจริงเใจมันจะเบื่อรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันเริ่มเบื่อแล้วก็วมันเห็นความไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยนะคือดูต่อไปแต่อย่าให้อารมณ์เบื่อครอบงาใจก็นะ ก็จะเหมือนแบบพอแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับว่าพอเรารู้ไปสักพักหนึ่งบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเหมือนเหมือนเราจะไม่ได้รู้เพียวเพียวจ้ะเหมือนรู้ไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าอ๋อจริงจรงมันไม่ได้รู้เพียวเพียวมันมีอีกอีกอารมณ์บางทีเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะไรแบบไม่ต้องรู้ชื่อหรอกไม่สําคัญแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นพอละไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรอ่าขอบคุณมาแม่ น้ำตาการค่ประปกติหนูจะใช้พุโทโธเป็นนิหารธรรมแล้วครานี้พอเราพุโทโธไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบตุกๆอยู่ตรงกลางหน้าอกแล้วก็มีแบบถึงข้นบางทีแบบกระเทือนกระเทือน อ, อนย่างค่ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะจะเป็นในตอนกลางคืนที่เหมือนตรียมตัวจะนอนอย่างค่ะในระหว่างวันก็จะไม่ไม่ค่อยรู้สึกพอเราทํำงานการทําทงานสติสมาธิปัญญาจดจ่อางาน มันไม่รู้หรอกมันทำไม่ได้นะแต่พอเราฝึกจนชำนาญแล้วช่วงไหนที่เราไม่ต้องคิดเรื่องงานนะมันจะเห็นตัวนี้ก็เพิ่มอยู่ตลอดถ้าเราเห็นตัวนี้ก็เพิ่มได้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนั่นจะเห็นไนละโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกสังเกตไหมมันก็เพิ่มตามองเห็นมันก็เพิ่มหูได้ยินมันก็เพิ่มจมูกได้กลิน่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสมัมผัสใจกระทบความคิด ตัวนี้ก็กระเพื่อมเพราะมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานะไม่มีความสงบสุขอะไรเลยเพรานั้นโลกนี้ไม่ได้น่าเพลิดเพลินพอใจอะไรอย่างแต่เดิมเราไปเห็นอะไรสวยๆแล้วเราสบายใจต่อไปแล้วไปเห็นทั้งที่สวยนั่นเลยนะพอไปเห็นใจมันกระเพื่อมมันรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากไปนะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ถ้าเห็นตรงนั้นใจมันจะเหนื่อยนะ เห็นแล้วเหนื่อยก็ต้องทำสมถะไปสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ห้ใจเข้าพูดออกโรอะไรก็ทำไปเป็นที่พักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วก็มาดูไอตัวนี้มันดิ้นต่อไปทำเรานอนอยู่ทานนั้นอ่ะพะโล หลวงพ่อก็จิตมันเห็นอนัตตาค่ะอืมมันเห็นยังไงอนัตตามันเห็นเหมือนอะไรแล้วเห็นโทรสารไหมไม่ใช่ค่ะเหมือนมันเห็นมันเห็นว่าไม่ว่าจิตมันไปรู้อะไรอย่างนี้มันจะบันทึกไว้แล้วก็มันจะเหมือนมันเมืนมันบันทึกไว้แล้วก็มันมันเลือกอารมณ์ไม่ได้มันมันมันมันมันเกิดขึ้นมาเองมันปรุงอารมณ์ดีหรือไม่ดีมันปรุงขึ้นมาเองนี่ค่ะ เห็นถูกแล้วแต่ใจไม่เป็นกลางเห็นแล้วก็ลำคาญมันใจมันยังมีโทสะแทรกอยู่ใจมันยังไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลางงั้นรู้สภาวะไปแล่วใจมันลำคาญขึ้มารู้ว่าลำคาญสังเกตไปมันยังไม่เป็นกลางจริงสรรมศการครับ ได่ส่งรันบ้านหลวงพ่อมาหน้าที่เกือบสิบปีแล้วครับอืก็ครั้งสุดท้ายที่เจอหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกเบาไปคงเบาไปนานเลยครับแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจโดยการมาเข้าคอร์สจิตหนึ่งเมื่อประมาณเดือนประพิศจิกแล้วก็พยายามจะตั้งใจปฏิบัติทุกวันนะครับก็เลยอยากทราบว่าหลังจากปฏิบัติไปประมาณไตรมาสหนึ่งมันได้เรื่องอะไรบ้างไหมครับรู้ตัวเวลาไว้ได้ไหมเออ เหมือนกับว่าถือศีลได้ง่ายขึ้นนะครับอืมคือไม่ต้องใช้ความพยายามมากมก็ที่ดีๆเหมือนจะมีแค่นี้นอกนั้นสติในชีวิตประจำวันเหมือนยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ภาวนาใช้ได้นะอยังขณะเนี้ยจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นแล้วะครับจิตตั้งมั่นแล้วมันจะรู้สึกทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ภาวนาดีคื้แล้วล่ะใช้ได้แต่ว่าเรามันระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตไปตินิ่งเฉยๆปล่อยให้เขาทำงา น, นาเข้าคอร์สนะบางทีเข้ากันหลายรอบนะอย่างคอร์สปฏิบัตนะิจะไม่ใช่มานั่งฟังเลคเชอร์อีกต่อไปแล้วาการนั่งฟังบรรยายอะไรเนะี่ยพวกที่เข้าคอร์สหลายๆรอบเลยนะหรือเรียนมานานแล้วเนะี่ย มันไม่จำเป็นแล้วบางคนจำได้ถึงขนาดถ้าหลวงพ่อพูดประโยคนีนะ้เดี๋ยวก็จะต่อประโยคนี้แต่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากความจำเราจะต้องเห็นสภาวะให้ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกฝากคุณแม่ชีไปบอกว่าการสอนกลุ่มที่จะแอดวานซ์เนี่ยให้ดูสภาวะเลยให้เขาดูสภาวะให้ออกแล้วถ้าสภาวะผิดเนี่ยนะ ต้ อ, อธิบายให้เขาชี้ให้เขาเห็นว่ามันผิดตรงไหนมันผิดอย่างไงนี่บางคนนะติดเพ่งอย่างเงี้ยเพ่งเก่งเพ่งเนีย น, น, นเขาบอกว่าเพ่งอยู่ก็ไม่เห็นนะอย่างนี้ก็มีนะเพอบอกไม่เห็นพอไม่เห็นมันโมโหเลยเพราะว่าคิดว่าผู้ช่วยสอนนี่มันไม่ได้เรื่องเลยสอนไม่ถูกะที่จริงก็ไม่ถูกใจนะไม่ถูกใจ หลวพระก็เลยบอกผู้ช่วยสอนไปว่าเลือกดูสิคนไหนที่เข้ามาเข้าคอร์สนะ่ะเขาอยากทำสมาธิอยากพักผ่อนอยากสงบให้เขาสงบไปนะแต่คนไหนอยากจะได้มาผล น, นิพพานดูเป็นคนๆไปนะแล้วคนที่อยากจะก้าวหน้าพัฒนาทางจิตใจต่อไปนะถ้าจิตไปจมไปแช่ไปติด อยู่กับสภาวะอันใดหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาเป็นอยู่กับภพบอันใดหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาให้บอกเขาถ้าบอกแล้วเขาเชื่อแล้วเขาแก้ได้เขว่าพัฒนาได้เรก็สอนตามตามใจผู้ฝังตามใจผู้เรียนเนี่ยหลักการสอนธรรมะสอนตามใจผู้เรียนถ้าใจผู้เรียนไม่เอาปิดพอใจอยู่แค่นี้เอาพอใจแค่นี้ก็ออกไปแค่นี้แหละ ต้องการพัฒนาก็ต้องมาต่อสู้นะต่อสู้ใหม่ต่อสู้กับความเห็นผิดของตัวเองนะต่อสู้กับความเซลล์จัดบางทีเรารู้สึกกูเก่งกูเก่งนะมาว่าเราไม่ถูกอะไรเงี้ยโมโหนะเราต้องสู้นะต้อสังเกตเอาที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าหลวงพ่อไม่ได้รู้ไม่ได้คุยกับผู้ช่วยสอนก่อนนะพอคุยหลังจากเทศเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าธรรมะที่ออกมาถึงเป็นเรื่องว่าครูบาอาจารย์ตุเนี่ยเราได้ประโยชน์ ครูบาอาจารย์ชี้สิ่งที่ผิดเนี่ยเราได้ประโยชน์หลวงพ่อได้ประโยชน์มาจากสิ่งเหล่านี้ถ้าครูบาอาจารย์โอเนี่ยเราจะเฉยเฉยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่เรื่อยๆแหละมีทุกเดือนตนะั้งแต่ตอนเป็นโยมนะทุกเดือนจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์จะพูดเหมือนกันทุกทีเลยส่วนใหญ่นะว่าทำถูกแล้วทำดีแล้วทำต่อไปเราจะไม่จำเลยว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ แต่ตรงที่เราทําผิดแล้วครูบาอาจารย์โคกบาปเราเนี้ยนะจํามาทั้งสามสิบปีแล้วยังไม่เลิกเลยงั้นธรรมะเนี่ยมันถึงอกถึงใจกว่ากันนะงั้นถ้าบางที่นะเขารู้จุดอ่อนของพวกเราตรงนี้นนเขาก็ใช้วิธีโอ้โลมปฏิโลมรู้จักไหมโอ้โลมปฏิลมปฏิโลมแปลปว่ากลับข้างกับการลมะรูปทางนี้ทีรูปทางนี้ที ร, ททนะรูปไปทั่ว โอ้โลมปฏิโลมเอาใจเราบางทีก็ เ, เอาใจว่าเนี่ยบุญบา ร, รมีเยอะชาตินี้ใกล้จะจบแล้วไอ้คนพูดยังไม่จบเลยนคนนี้จะจบแล้วหรือคนเนี้ยชาติก่อนเป็นลูกศิษย์เนี่ยกลับมาหาอาจารย์อีกแล้วอย่างเงี้ยหรือเป็นลกูกบางคนหนักกว่านั้นนะเป็นเมีย นั้นชาตินี้มาเป็นเมียใหม่มาเป็นเมียอาจารย์มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเหลวแหลกเลยนะ mm hmm. เพศโอรโรปฏิโมบมงทีเขาเขบอกว่าเนี่ยมาภาวนาอาทิตย์หนึ่งได้โสดาแล้วคราวนี้ปลื้มเลยได้โสดาแล้วโอ้ขารับรองแล้วใครบอกไม่ได้นี่โกรธเลยนะเนี่ยเพราะอะไรคล้ายๆแหมอ ย, อยู่ๆก็ได้ตุกตาทองมาแล้วมาขอคืนหรือ ได้มงกุนะุนางามจักรวาลมาแล้วมาขอคืนบอกเคยมีผัวมาแล้วอย่างเงี้นะใจมันยอมไม่ได้เพราะฉนั้นไอ้วิธีหลอกลวงให้คนเลื่อมใสเนี่ยต้องระวังนะเวลาไปเรียนนะเขาชมเรานะเขาเชียร์เราเขาสร้างความรักความผูกพันกับเราต้องระวังครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะไม่มาสร้างความผูกพันให้เรานะท่านมีแต่จะสอนให้เราออกจากโลกไม่ใช่สอนให้เราคลุกอยู่กับโลก มาผูกอยู่กับอาจารย์มีเงินมาให้อาจารย์หน้าอ่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีนะเยอะนะนั่นต้องระวังอย่างโง่พวกผู้หญิงจะถูกหลอกเยอะนะถูกหลอกเขาจะบอกว่าเคยเป็นแม่เป็นลูกอาจารย์นึกนี่เป็นลูกสาวอาจารย์แต่ชาตินูน้นอะไรเงี้ยก็ปลื้มได้เป็นคนใกล้ชิดอาจารย์เนียนิสัยอยากใกล้ชิดอาจารย์อยากเป็นคนพิเศษเนี่ยเขาจับกิเลสตรงนี้ได้ คนเราแต่ละค น, นะอยากเป็นคนพิเศษทั้งนั้นแหละเขาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นเหยื่อล่อเนี่ยนะชาติตอนเป็นหลานของหลวงพ่อหลวงพ่อเลี้ยงอุ้ยรักที่สุดเลยพราะประงมจะอ้วนกลมนะเนะออก็ฟนะื้นเลยนะแกเป็นยันบอยุ่นเลยดังนะน่้นถูกครูบาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวเนะยเจริญ น, นะ ถ้าต้องการคําชมคําโอ้โลมปฏิโลมเนี่ยเป็นพน <Writing biography. S 1> ิษเป็นภัยมากเลยนุ่นอยู่ท้ายห้องกล่าวัวสการหลวงพ่อค่ะรู้เปล่าว่าจิตเราเป็นไงก็ก็รู้นิดนึงค่ะคือตอนแรกที่พอจะส่งกันว่านะคะก็ ตื่นเต้นว่าอะไรค่ะแล้วพอหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็คลายลงบ้างขึ้นมาตื่นเต้นว่างอะไรแบบนี้การปฏิบัติละ <Okay. S 2> ที่ทําอยู่นะถูกแล้วนะเราก็าอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเราเห็นไตรลักษณ์รู้สึกไหมมันเปลี่ยนตลอดมันไม่เที่ยงรู้สึกไหยมันเปลี่ยนเองเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งว่าอย่าตื่นเต้นเราก็สั่งไม่ได้ตรงที่ควบคุมไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตา การภาวนาเนี่ยก็เห็นไปความรู้สึกของเรามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้คอยรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละการปฏิบตัติไม่ใช่มุ่งไปเอาเดียวสุขเอาสงบนะไอ้พวกนั้นเป็นของที่ก็ดีเหมือนกันอะ่ะแต่ดีไม่มากนะความดีมันไม่เที่ยงความสุขมันไม่เที่ยงความสงบมันไม่เที่ยงความจริงเป็นสิ่งเที่ยงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะเพราะงั้นเราดูความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอันนี้แหละสิ่งใดเกิดสีนั้นก็ดับมันไม่ตายหรอกฉนั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูนะความรู้สึกทุกอย่างมาแล้วไปความตื่นเต้นก็มีดีกรีเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาใหม่นะนนรู้อย่างนี้แหละดีแล้วทำถูกแล้วความรู้สึกอื่นก็แบบเดียวกัน พอขอโอกาสเล่าสภาวะหนูให้หลวงพ่อฟังสั้นๆ น, นะได้ค่ะอา้าวคื อ, อประมาณปีที่แล้วค่ะไปเนีมีโอกาสอยู่ในคอร์สใช่ไหมคะแล้วก็พี่บอกว่าหนูอันนี้ทุกอะค่ะแล้วก็บอกว่าให้กลับมาดูมันหนีไม่ได้หรอก อ, รอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็แบบร้องไห้ใหญ่เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเซสชั่นต่อมาค่ะก็คือเป็นครัวอ่าไปสอยนะคะที่คอร์สอะคะ่ะ แล้วหนูก็เลยกลับมาดูมันเหมือนจิตมันกลับมาดูเองข้างในใจอะค่ะแล้วมันก็เห็นว่ามันมันเบี่ยงอ่ะค่ะมันมีมันมีตัวเบี่ยงเบี่ยงอยู่ข้างในแล้วมันก็เบี่ยงแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะจนสุดท้ายมันระเบิดระเบิดตุ้มหนึ่งออกมาค่ะแต่มันระเบิดไม่ออกอะค่ะเพราะว่ามันติดกรอบอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนครอบแก้วอะค่ะอแข็งแบบแข็งมากถอวที่ครอบนี้นะจะว่าแข็งกาแข็งสุดๆนะ แต่ว่ามันยืดหยุ่นก็หยุ่นที่สุดเลยและแต่จะเห็นให้มันก็ครอบจิตเอาไว้แล้วแตกไหมตกลงไม่ไม่แตกค่อมไม่ไปทำํำอีกระเบิดเขอาเรายัางเล็กไปนะเฝ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ah, ารู้เฝ้าดูไปจะหนีทุกนะจะหนีทุกวิธีหนีทุกก็คือหลีกเลี่ยงการรู้มันทุกให้รู้อย่า ก, กลัวมันจะหนีมัน เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยดูด้วยจิตใจที่เป็นกลางแล้วมันจะเห็นความจริงอย่างชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะที่จริงจิตของพวกเราทุกคนน่ะมีเปลือกหุ้มมีอาสวักิเลสห่อหุ้มอยู่แล้วพอนาถึงวันหนึ่งมันก็แตกออกไปดีไม่ทำอีกขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหนูเจริญพิเนื้อแล้วล่ะขอบคุณค่ะ นมัส ก, การหลวงพ่ออยู่ไหนยกมือเ อ, อว่าไปหลวงพ่อให้ดูกายก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาดูจิต ด, ดูใจแล้วสภาวะก็เริ่มเห็นได้บ่อยขึ้นนะพ่อตอน น, อ น, นี้ตอนนี้ใจพุงส่านนะใจยังพรุงดูออกไหมถ้าดูออกก็ใช้ได้แล้วรู้สภาวะได้ก็ใช้ได้ยืนเดินนั่งนอนก็เห็นว่ากายไม่ใช่ของเราดีทำถูกแล้ว ภาวนาถูกต้องว่าใช่ไหมครับถูกนะแล้วอย่ารีบร้อนน ะ, ะอย่าล้ออยากได้ผลเร็วๆยิ่งลอบยิ่งช้านะหลวงพ่อดุดาว่ากล่าวไม่ได้หนูอยากเจริญค่ะอะไรนะหลวงพ่อให้หลวงพ่อดุดาว่ากล่าวจะได้เจริญค่ ะ, ะนะนั่นโ ล, ลอบแล้วอยาก <laughs> ถูกดา่าคุณท่าหลวงพ่อ ของหนูมันบังคับจิตยอยู่นิดหนึง่งขนาดนี้ดูออกเปล่ามันจะตึงๆขึ้นมานิดหนึง่งก็รู้ไปบังคับก็รู้ว่าบังคับที่บังคับเขาอยากให้มันดีนแต่ทาถูกต้องแล้วใช่ไหก็ดีแล้วล่ะดีขึ้นเยอะเลยถ้าถูกต้องแล้วก็ต้องหมดอาสว ะ, ะตอนนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ อย่างพระโสดาสกตาคาพระอนาคาก็ยังเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ปุถุชนก็ต้องเรียนรู้เราจะเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วเราให้พบว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นไม่ใช่หรอกสิ่งที่คิดว่าถูกก็ยังไม่ใช่หรอกตรงความเข้าใจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนความรู้เดิมไปเรื่อยๆมันค่อยๆพัฒนาไป เชิญกลับบ้าน